หลักธรรมคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคืออัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่พวกเราจะต้องเป็นผู้ดูแลกันเองถ้าเราจะอาศัยผู้อื่นมาดูแลเรา ถ้าเกิดเขาไม่สามารถมาดูแลเราได้เราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้จักดูแลรักษาชีวิตของเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีใครจะมาดูแลเรามาให้ความสุขกับเรามาบำบัดความทุกข์ให้กับเราพรุทธศาสนา เป้าหมายคำสอนก็สอนให้เรานี้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้เพราเราเมื่อเราเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนไปตลอดอนันตการสิ่งที่เราต้องดูแลในชีวิตของพวกเรา ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจที่เราต้องคอยบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้เพราะร่างกายนี้ถ้าขาดการบำบัดทุกข์บำบุงสุขก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเช่นเดียวกับจิตใจ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจเราก็จะถูกความทุกข์ใจลุมล้อมเหยียบย่าทำลายจิตใจของเราเราจึงต้องมาศึกษามาเรียนรู้วิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับชีวิตจิตใจของเราให้เราได้เป็น ที่พึ่งของเราเองในเบื้องต้นเรื่องของการบำบัดทุกข์บำบุงสุขทางร่างกายเราต้องอาศัยผู้อื่นไปก่อนพอตอนเริ่มต้นของชีวิตเรายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นั่นเองคือตอนที่ร่างกายเราเกิดมาใหม่ ร่างกายของเราเป็นเด็กธารกยังไม่สามารถบำบัดทุกข์บำบุงสุขร่างกายของตนเองได้เราก็ต้องอาศัยผู้อื่นไปก่อนผู้ที่จะมาบำบัดทุกข์บำบังสุขทางร่างกายให้กับร่างกายของพวกเราก็คือบิดามารดาของเรานั่นเอง ตอนต้นเรายังเป็นที่พึ่งทางร่างกายของเราเองไม่ได้เราก็ต้องอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพวกเราไปก่อนแต่เราไม่ควรที่จะอาศัยบิดามารดาไปตลอดพอที่เราเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมา พอที่เราจะสามารถทำอะไรเองได้เราก็ต้องหัดทำกันเองเพราะว่าบิดามารดาก็เป็นของที่ไม่แน่นอนท่านก็จะแก่เจ็บตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่หัดเป็นที่พึ่งของเราเองไม่หัดทำอะไรเองถ้าเกิดบิดามารดาเป็นอะไรไป เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะลำบากทางร่างกายดัยงนั้นในทางร่างกายในเบื้องต้นเราอาศัยบิดามารดาเลี้ยงดูเราหาปัจจัยสี่ให้กับเราหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคให้กับเราแต่พอเราจะริญเติบโตขึ้นมา มีความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่ให้กับเราเองได้เราก็ต้องหากันเองไม่ใช่โมดแต่ไปขอจากพ่อแม่ตลอดเวลาเดี๋ยววันใดวันหนึ่งถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่หรือพ่อแม่ไม่มีเงินทองที่จะให้เราเราจะทำอย่างไรแต่ถ้าเรารู้จักหาปัจจัยสี่ให้กับเรา เช่นตอนเป็นวัยเด็กเราก็ไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้พอเรียนจบเราก็ไปหางานทําพอมีงานทําเราก็จะมีรายได้มาบําบัดทุกข์บำบังสุขทางร่างกายของเราได้ฉะนั้นเรื่องของการบําบัดทุกข์บำบังสุขของร่างกายนี้พวกเราคงจะ เข้าใจกันและคงกระทากันพอเรารู้ว่าต่อไปบิดามารดาของพวกเราก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปในที่สุดเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาดูแลเราได้เราจึงต้องขวนขวายตะเกียกตะกาย ทำตัวเราเองให้เป็นที่พึ่งของเราเองให้ได้ ừ, ทางร่างกาย ừ, ทางร่างกายนี้พวกเราสามารถเป็นอัตตาหิอัตโนนาโนาถกันได้เพราะพอเราโตเราก็ไปเรียนหนังสือพอจบเราก็ไปหางานทำพอเราจะมีงานทำเราก็มีรายได้ เราก็เป็นที่พึ่งของเราเองได้ทางร่างกายแต่ชีวิตของเรานี้นอกจากทางร่างกายแล้วเราก็มีอีกทางหนึ่งมีอีกส่วนหนึ่งคือทางจิตใจที่ต้องมีการดูแลบำบัดทุกบ์บำรงสุขเหมือนกันจิตใจของเราก็มีความทุกข์ได้มีความสุขได้เรื่องการดูแล บำบัดทุกข์บำลุงสุขให้แก่จิตใจถ้าเราไม่มีผู้ที่จะรู้วิธีเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเราต้องมีผู้ที่รู้วิธีมาสอนเราเหมือนกับบิดามารดาผู้ที่รู้วิธีหาปัจจัยสีมาเลี้ยงดูร่างกายให้กับพวกเรา เราก็เรียนจากบิดามารดาแล้วก็ไปโรงเรียนไปหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้ไปหางานทำไปหารายได้เพื่อที่จะได้เอามาซื้อปัจจัยสี่ให้กับเราทางจิตใจก็เหมือนกันทางจิตใจของเราก็มีปัญหาเหมือนกับทางร่างกายต้องการบต้องการบำบัดทุกข์บำบัสุขเหมือนกับทางร่างกาย แต่ทางจิตใจนี้บิดามารดาของพวกเราไม่รู้วิธีที่จะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจของเราหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ตามสถานการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะระดับไหนระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเขาก็ไม่รู้จากวิธี บำบัดทุกบำบัลงสุขทางจิตใจวิธีที่จะผู้ที่จะรู้วิธีบำบัดทุกบำบัลงสุขให้กับจิตใจนั้นมีอยู่สามท่านด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยที่จะเป็นผู้ที่จะสอนวิธีให้เรารู้จักบำบัดบำบัดทุกบำบัลงสุข ให้กับจิตใจของพวกเราเราเลยต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในเบื้องต้นก่อนถ้าเรายังพึ่งตนเองยังสอนตอนเองในการบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้กับจิตใจของเราเองไม่ได้เราก็ต้องเข้าหาผู้ที่รู้วิธีที่จะบำบัดทุกข์บำบุงสุขทางจิตใจมาสอนเรา ก็มีคนสาสามคนนี้หรือบุคคลหรือสิ่งสามสิ่งนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจจนสามารถ อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆของจิตใจได้มีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบเต็มร้อยในหัวใจแล้วก็ความทุกข์แบบหายหายสาบสูญเราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือจากพระอริยสงสารพวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทั้งสามองค์นี้ทําหน้าที่แทนกันได้เป็นผู้ที่รู้วิธีบําบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจของพวกเราเป็นผู้ที่เป็นที่เป็นเป็นที่พึ่งของตนบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นอัตตาหิอัตานโนนาโถแล้วท่านพึ่งตนเองได้แล้ว แต่พวกเรานี้ยังพึ่งตนเองไม่ได้ทางจิตใจพึ่งได้ทางร่างกายพวกเรานี้พอโตแล้วเราก็ไปทามาหากินกันได้มีวิชาความรู้มีงานการทำกันทางร่างกายนี้เราเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ทางจิตใจนี้เรายังเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังถูกความทุกข์มาลุมเล้า อยู่เรื่อยๆนั่นเองความสุขในใจของพวกเราก็เป็นแบบขาดขาดหายหายมารับก็หายไปยังไม่ได้เป็นความสุขแบบถาวรความทุกข์ก็ยังไม่ได้ถูกกําจัดให้หมดสิ้นไปกําจัดได้เป็นพักๆหายไปเป็นพักๆเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ให้มันหายไปอย่างราบคาบสร้างความสุขอย่าง ถ, ถาวรให้มีอยู่ในใจของเราไปตลอดเราก็ต้องไปหาผู้ที่ทำสิ่งที่เราต้องการได้ผู้ที่กำจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างราบคาบและผู้ที่สร้างความสุขให้อยู่ในใจไปอย่างตลอดเวลาไม่มีวันหายไม่มีวันหมด ปูนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคล อ, อันดับแรกเป็นผู้ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีสร้างที่พึ่งทางใจจนในที่สุดก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งทางใจได้ดูแลจิตใจให้มีแต่ความสุขตลอดเวลากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป พอทรงรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเอามาช่วยเหลือผู้อื่นเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนทางใจได้พอได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็สามารถทำตนเองให้กลายเป็นที่พึ่งของตนเองได้ทางด้านจิตใจลุกคณเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอริยสงสาวก ที่มีหลายระดับตามกำลังของความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรงสุขแต่ไม่ว่าระดับไหนจะเป็นผู้ที่รู้วิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขและจะเป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยตนเองพอได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้ว รู้วิธีบาบัดทุกบารุงสุขด้วยตนเองแล้วก็ไม่ต้องมีผู้มาสั่งมาสอนต่อแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นเองแต่ก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับจะเพิ่มการบาบัดทุกบำรุงสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะถึงขั้นเต็มร้อยได้ พระอริยบุคคลระดับไหนก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้พระอริยสงสาวกท่านมีสี่ระดับด้วยกันสี่คู่สี่คู่แปดบุคคลเรียกว่าพระอริยสงสาวกพระสุปฏิปันโนพระอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน นี่คือ า, าราตนาัยที่ในเบื้องต้นเราจะต้องเป็นเราจะต้องยึดเป็นที่พึ่งของพวกเราไปก่อนเหมือนกับร่างกายของเราในเบื้องต้นของชีวิตเราก็ต้องยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้เลี้ยงดูร่างกายของพวกเราแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้เรียนรู้วิธี เป็นที่พึ่งทางร่างกายของเราด้วยตนเองเราก็ไม่ต้องอาศัยบิดามารดาต่อไปเราก็ไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบำบัดทุกข์บำบังสุขของทางร่างกายได้ทางด้านจิตใจก็แบบเดียวกันในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้จักวิธีบำบับัดทุกข์บำบังสุขทางจิตใจ มาสอนเราเราต้องศึกษาจากบุคคลเหล่านี้องค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นี้ทาหน้าที่แทนกันได้สำหรับพระพุทธเจ้าพวกเราก็รู้แล้วว่าท่านไม่อยู่กับเราแล้วแต่ท่านยังฝากคำสอนของท่านไว้ในพระไตรปิฎกในคำภีของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระไตรปิฎก เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนวิธีบำบัดทุกข์บำบุงสุขบสุขวิธีต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจในขณะที่มีพระชนชีพอยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน อ, อ, องค์งสอนวิธีบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้กับสาธารณชนทุกระดับระดับคารวาสระดับนัก บ, บวช หรือแม้แต่ระดับเทวดาก็ทรงสอนหมดหและคำสอนเหล่านี้ก็ได้มีการจดบันทึกเอาไว้จดจำกันเอาไว้ในเบื้องต้นต่อมาเมื่อมีการเขียนหนังสือมีภาษาเป็นหนังสือก็บันทึกไว้เป็นตัวอักษรไว้ในไวใน้ไวในคัมภี ร, ร์เรายัางสามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าสงกัยว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากพวกเราไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะอยู่ในพระธรรมคำสอนของเราถ้าพวกเธออยากจะเข้าหาเราให้เข้าหาพระธรรมคำสอนแทนแล้วพวกเธอจะมีครูมีอาจารย์คอยสอนคอยบอก วิธีบําบัดทุกข์บําลงสุขให้กับพวกเธออ่านี่คือแหล่งที่สองที่เราสามารถเข้าถึงได้แหล่งที่หนึ่งนี้ท่านจากเราไปแล้วก็เหลือแหล่งที่สองคือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกควรจะศึกษาถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์สร้างความสุขทางจิตใจอ ถ้าศึกษาแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างที่สามที่เราสามารถเข้าหาเป็นที่พึ่งได้ก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยเพราะว่ามีการศึกษามีการถ่ายทอดความรู้นี้มาอย่างต่อเนื่อง เหมนกับการถ่ายทอดความรู้ทางร่างกายมีการถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคก่อนพระพุทธการียได้ซ้ําไปยุคมีในยุคพระพุทธการพ่อแม่ก็สอนลูกให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองลูกโตขึ้นมามีลูกก็สอนลูกต่อไปทางจิตใจก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพ่อแม่ทางจิตใจ พระ อ, อริยสงสาวกรุ่นแรกก็เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าพอได้เรียนรู้แล้วก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้พอมีลูกศิษย์ลูกหามาศึกษาต่อก็เป็นพ่อแม่ของลูกศิษย์ลูกหาของของรุ่นที่สองต่อไปสั่งสอนรุ่นที่สองถ่ายทอดความรู้รุ่นที่สองก็ถ่ายทอดความรู้ให้รุ่นที่สามเนี่ย มาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะต้องเอาระยะเวลาคูณสองพันห้าร้อปีคูณเข้าไปก็เป็นรุ่นที่ระดับพันขึ้นไปเหมือนกับสถาบันการศึกษาต่างๆถ้าลองเราไปค้นดูโรงเรียนที่เราเรียนอยู่เนี่ยตอนนี้รุ่นไปถึงรุ่นไหนนะตอนที่เราจบเนี่ยเราอยู่รุ่นไหน แต่ตอนนี้โรงเรียนยังตั้งอยู่ยังมีการถ่ายทอดความรู้อยู่มีผู้มาศึกษามาเรียนมาเีมาสำเร็จมารับปริญญามารับใบประกาศกันเนี่ยถึงรุ่นไหนแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความรู้ทางจิตใจก็เหมือนกับความรู้ทางร่างกายมีการถ่ายทอดเป็นรุ่ น, ร, นรุ่นมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้รุ่นรุ่นปัจจุบันนี้ เราก็สามารถไปศึกษากับพระอริยบุคคลเหล่านี้ได้ทางการะ ส, ะสอนวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขทางจิตใจให้กับพวกเราในเบื้องต้นเราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก่อนเป็นสารณะก่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ความหมายของที่พึ่งนี้คือผู้สั่งผู้สอนเราให้รู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจของพวกเรา พอเรามีที่พึ่งแล้วมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีบำบัดทุกข์บำบังสุขให้กับจิตใจของพวกเราพอเรานําเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถบำบัดทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปสร้างความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้อย่างเต็มร้อยน แล้วพอเราทําได้สําเร็จเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราเราจะไม่ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนเราอีกแล้วเหมือนกับทางร่างกายพอเราเลี้ยงดูร่างกายของเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มาเลี้ยงดูร่างกายให้กับพวกเราอีกต่อไปนี่คือหลักการของการสร้างที่พึ่งทางจิตใจและทางร่างกาย ทางร่างกายนี้ไม่มีปัญหาพวกเรารู้จักกันแต่ทางจิตใจนี้พวกเรายังไม่รู้จักกันเพราะอะไรเพราะเรายังทุกข์กันนั่นเองเรายังร้องห่มร้องไหย้ยังเศร้าโศกเสียใจยังรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ บำบัดทุกขบำบัลงสุขทางจิตใจกันเพราะเราไม่รู้วิธีวิธีที่เราบำบัดทุกขบำบัลงสุขให้กับจิตใจก็เป็นวิธีแบบชั่วคราวบำบัดทุกขได้ชั่วคราวแต่ไม่ถาวรเช่นวันไหนเราทุกขเราก็ไปหาอะไรทํากันไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันเดี๋ยวความทุกข์ที่มีมันก็หายไปอา่าตอนนี้ความทุกข์ทางร่างกายมาแล้ว ญ า, าติโยมรู้จักวิธีบำบัดทุกทางร่างกายกันเองจะนั่งต่อก็ได้นะจะย้ายที่ก็ได้เพราะไม่รู้ว่าอายาผนเข้ามาก่อนเนะี่ยฉะนั้นเดี๋ยวเสียของเสียฝนสมัยนี้ช่วงนี้ไม่แน่นอนไม่รู้เป็นฝนเทียมหรือเป็นฝนจริงเขาเรียวฝนเทียมหรือฝนหลอกอหลอกให้คนหนีกัน พนนี้เสร็จแล้วก็หยุดตกนี้วฝนหลอกเอาล ะ, าละหยุดละพอหลอกให้คนดบเข้าข้างในเสร็จก็หยุดตกนะไม่เป็นไรนั่งข้างนอกนั่งข้างในก็เหมือนกันได้ยินเสียงเหมือนกันความสำคัญในการพังก็คือให้ได้ยินเสียงชัดเจน ให้รู้เรื่องว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่การฟังนี้เพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเพื่อที่เราจะได้นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปใช้ประโยชน์ต่อถ้าเราเข้าใจแล้วมันมักจะไม่ดื้อมันอยู่ในใจถ้ามันไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าสติปัญญาของแต่ละคนนี่มี ไม่เท่ากันบางคนก็เข้าใจมากบันคนก็เข้าใจน้อย mm hmm. เวลาสอบจึงมีคะแนนต่างกันนอย่างนักเรียนในห้องในีเวลาสอบเนี่ยมีตั้งแต่เกรดสองขึ้นไปถึงเกรดสี่ mm hmm. เพราะว่าความเข้าใจในการฟังสิ่งที่ได้ยินนั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันพอไม่เข้าใจก็จะจำไม่ได้ส่วนที่จาส่วนที่เข้าใจก็จะจำได้ พอเวลาสอบก็จะตอบคําถามได้เอแต่ไม่เข้าใจครัง้งแรกก็ต้องขยันต้องพยายามอ่านหนังสือบ่อยๆให้มากขึ้นหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยครูอาจารย์คอยอธิบายให้ฟังจนกว่าจะเข้าใจการศึกษาทางศาสนาก็มีสองทางจากหนังสือกับจากครูบาอาจารย์โดยตรง ถ้ามีครูบาอาจารย์นี่จะช่วยได้มากกว่าการศึกษาจากหนังสือเพียงอย่างเดียวเพราะการอ่านหนังสือบางทีอ่านแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีครูอาจารย์ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถสอบถามได้ครูอาจารย์ก็จะพยายามอธิบายให้เราฟังจนกว่าเราจะเข้าใจ จนกว่าเราจะหายสงสัยแล้วนำเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้งนั้นการศึกษาทางศาสนานี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะเข้าหาทั้งสองแหล่งที่เหลืออยู่คือแหล่งแรกก็คือพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เพื่อเราจะได้รู้มาตรฐานของคำสอน ว่านี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาที่เราไปศึกษากับครูอาจารย์ต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนตามที่พุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่สอนเราก็อาจจะไม่มั่นใจอาจจะสงสัยได้ว่าทำไมถึงไม่สอนตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอน ถ้าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะมีความมั่นใจว่าท่านสอนถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไว้ก่อนแล้วเราไปศึกษากับครูอาจารย์ต่างๆเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเอาความรู้ของท่านมาจากที่ไหนเป็นความรู้แหล่งเดียวกับของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ความรู้ทางด้านจิตใจนี้มีทางเดียวมีแหล่งเดียวที่ถูกต้องคือแหล่งที่ออกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สงค้นพบความรู้อันนี้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครสามารถที่จะพบได้ด้วยตนเองได้ทุกคนต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าดัางนั้นเราถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งที่แน่นอนที่ถูกต้อง เราต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกก่อนแต่เราไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกทั้งทั้งคัมภีร์ที่มีอยู่ต้องสี่สิบห้าเล่มนะ เ, เพียงแต่อ่านข้อสรุปหรือพระสูตรสำคัญสำคัญไม่มากสี่ห้าพระสูตรเราก็จะได้ใจความได้รู้ว่าเนื้อหาสาระของคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรบ้าง ถ้าเราได้อ่านหนังสือที่มีการคัดลอกออกมาจากพระตไตรปิฎกเราอาจจะไม่ต้องอ่านมากเล่มเดียวนี้ก็จะได้สาระความรู้ทางาศาสนาที่พอเพียงต่อการเป็นแนวทางที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องพอเรารู้แนวทางแบบคร่าวๆแล้วทีนี้เราก็ไปหาผู้ที่รู้วิธีปฏิบัติอย่างละเอียด ว่าทำอย่างไรถึงจะได้เกิดผลขึ้นมาถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเราจะได้แนวทางอย่างคร่าวๆคือถ้าเราอ่านในพระสูตรที่เรียกว่าที่สรงแสดงไว้ในวันมาคาบบูชาเนี่ยวันมาคาบบูชานี้พระพุทธเจ้าสรงแสดงธรรมโปรดพระอาหารหันตสาวก1250ัสรูป ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆมาด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความกตัญญูกตวเวทีที่ <c oughs> ได้รับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปคลองไว้ในหัวใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพบกับความสุขที่ถาวรก็เลยอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนนั้นพระพุทธเจ้าในทรงแสดงสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พระอาลณนตัสาวกฟังกันคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันธรรมบทนี้สรุปลองได้สามหัวข้อด้วยกันเป็นวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจคือหนึ่งสัปปปาปัสสะอากาลัง ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองกุศลสืบประซประธาจงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามสาจิตตะปเรโยดาปะนังจงทาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เอตังบุตานาซาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม ที่มาตัดสรู้มาค้นพบวิธีบําบัดทุกข์บำรงสุขก็จะสอนวิธีนี้เหมือนกันทุกๆพระองค์เพราะมีเป็นวิธีเดียวเป็นทางเดียวสู่การบําบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจนั่นเองเพียงแต่เรียนแค่นี้เราก็ได้ เราก็ได้หัวหัวใจของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วเพออียงแต่ว่าเราต้องไปศึกษาต่อว่าการละการกระทำบาปทั้งปวงละทำไมละอย่างไรออการละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะเพราะบาปนี้เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนั้นเอง ถ้าเราต้องการบำบัดทุกข์เราก็ต้องไปบำบัดที่เหตุของความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือการกระทำบาปทั้ง่วงแล้วก็การสร้างการสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นเหตุในการสร้างความสุขนั่นเองเราอยากมีความสุขเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ก็เป็นการสร้างความสุขที่ถาวนเป็นการกำจัดความทุกข์ที่ถาวนเพราะใจที่ไม่สะอาดจะเป็นใจที่ไม่มีความสุขแล้วก็ใจเป็นใจที่มีความทุกข์เพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทาให้จิตใจไม่สะอาดนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนั่นเองจึงต้องชาระตัวนี้ตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจ ให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อให้ใจจะได้ใจสะอาดเมื่อสะอาดแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่ถาวร น, นี่คือสิ่งที่เราต้องไปขยายความและนำเอาไปทำให้เกิดผลขึ้นมาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องละการกระทำบาปทั้งปวง เราก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าบาปมีอะไรบ้างถ้าศึกษาต่อไปเราก็จะได้เรียนว่าบาปก็คือการไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทุกชนิดชีวิตทุกชนิดที่เป็นสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณ น, นี้ฆ่าไม่ได้ต้นไม้ใบหญ้านี้ฆ่าได้ไม่เป็นไรหรือกิเลสตัณหาสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองนี้ฆ่าได้ไม่เป็นปัญหาเลย แต่สิ่งที่ฆ่าไม่ได้คือชีวิตสัตว์เดรัจฉานชีวิตมนุษย์นี้ฆ่าไม่ได้ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงสองละเว้นจากการลักทรัพย์เอาเข้าของเงินทองของผู้อื่นไปโดยที่เขาไม่อนุญาตนยถ้าเขาอนุญาตนี้เอาไปได้ถ้าเขาไม่อนุญาตหยิบไปถือว่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการกระทำบาป สามให้ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือการมีคู่ครองแบบไม่ถูกต้องประเพณีถ้าอยากจะมีคู่ครองต้องทําให้ถูกเป็นประเพณีคือให้เป็นอคู่คูผ่ผัวเมียเดียวกันไม่ใช่มีหลายคนมีหลายผัวหลายเมียอย่างนี้ไม่ถูกประเพณีประเพณีที่ถูกต้องของมนุษย์นี้ให้มี ผัวเดียวเมียเดียวเพื่อจะได้ไม่สร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมานั่นเองถ้ามีหลายผัวหลายเมียเดี๋ยวตีกันยุ่งมันไปหมดเดี๋ยวรักพี่เสียดายน้องเดียาลิษยากันอันนี้ถึงต้องมีประเพณีถ้าอยากจะมีคู่ครองขอให้มีคนเดียวรักเดียวใจเดียวสามีเดียวภรรยาเดียว แล้วเขาก็ต้องมีคนเดียวเราก็ต้องมีคนเดียวไม่ใช่เขามีหลายคนเรามีคนเดียวเราก็ขาดทุนพอเราขาดทุนเราก็จะมีหลายคนต่อไปจะได้ไม่จะได้เท่าทุนกันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาพอเขารู้ว่าเรามีหลายคนเดี๋ยวเขาก็โกรธเราเกลียดเร า, เเราพอเรารู้ว่าเขามีหลายคนเราก็เกลียดเขา การอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสุขก็กลายเป็นการอยู่แบบทุกข์กันไปถ้าอยู่แบบนั้นอยู่ไปทําไมอยู่แบบอยู่คนเดียวไม่ดีกว่า อ, อถึงแม้จะทุกข์ก็ทุกข์น้อยกว่าทุกข์แบบที่มีกับคนอื่นทุกข์กับตัวเราเองมันก็ไม่สาหัสสากันเหมือนกับทุกข์กับคนอื่นมีเรื่องมีราวกับคนอื่นนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือ ไม่ให้พูดปดให้พูดความจริงอย่ากโกหกหลอกลวงเพราะจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนได้แล้วจะทำให้เราทุกข์พอเราพูดปดแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจพอเราบัพูุผิดประเวณีเราจะรู้สึกไม่สบายใจพอเรารักทรัพย์หรือฆ่าสัตว์ก็เหมือนกันความทุกข์ใจเกิดจากการกระทำสี่อย่างนี้ คือด่าสัตว์รักทัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อยากกระทำสิ่งสี่ประการนี้ส่วนข้อที่ห้าในสี่ห้าที่คือไม่ให้ดื่มสซลายาเมานี่สุลาเองนี้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์เพียงแต่ทำให้เราเมาทำให้เราเผลอสติขาดสติ แล้วจะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายพ อ, อ, อคิดจะประพฤติผิดประเพณีก็ไม่มีอะไรมายับยั้งจิตใจพอเราจึงต้องไปตามบาตามผับกันเวลาจะประพฤติผิดประเพณีพ อ, อที่นั่นมีเครื่องสนับสนุนมีสุรายาเมามียาเสพติดให้เสพพ อ, อเสพแล้วทีนี้ก็เกิดอาการมึนเมาบ้าคลั่งขึ้นมาก็จะไม่ยับยั้งการกระทำที่ไม่ถูก ท่านถึงต้องห้ามไม่ให้เสพสุรายาเมาหรือเสียงสารต่างๆที่ทำให้เกิดการมึนเมาหรือบา้าคลั่งจนขาดสติควบคุมการกระทาทางกายทางวาจานอกจากนั้นยังห้ามอบายามุขอย่างอื่นอีกเพราะการเสพอบายามุกก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ไปทาบาป ก, กันได้ง่ายขึ้น หรือเป็นตัวที่สนับสนุนหรือผลักดันให้ไปทำบาปเช่นการเล่นการพนันเล่นการพนันเนี่ยตอนต้นเล่นไปอาจจะได้พอได้ก็อยากจะเล่นต่อพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ อ, อเดี๋ยวทำไปทามาก็เสียหมดพอเงินหมดอยากจะเล่นต่ออยากจะได้คืน แต่ไม่ได้ทำงานทำการเป็นอาชีพเล่นการพนันเป็นอาชีพเดี๋ยวก็ต้องไปโกหกหลอกลวงหรือไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมาเล่นต่อนะท่านยังห้ามไม่ให้เสพอบายามุขมีห้าประการด้วยกันคือเนี่ยดื่มสุรานี่ก็เป็นอบายามุขข้อที่หนึ่งเล่นการพนันก็เป็นอบายามุขข้อที่สองทเที่ยวเตก็เป็นอบายามุขข้อที่สาม พรเวลาเที่ยวเต่ก็มีแต่ใช้เงินใช้ทองไม่มีไรายได้เดี๋ยวก็เงินหมดเงินหมดไม่ได้ทํางานก็ต้องไปขโมยเงินไปป้นไปจี้ข้อที่ห้าก็คือความเกลียข้อที่สีคือความเกลียดคร้านไม่ชอบทํางานชอบเที่ยวเล่นด้วยชอบอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์นั่งนั่งนอนๆอนอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องไป ทำบาปเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองแล้วข้อที่ห้าก็อย่าคบคนที่ชอบอบายยมุขเป็นมิตรเนี่ยถ้าเขาชอบเดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปเดื่มสุราชอบเล่นการพ น, นันก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันชอบเที่ยวเตะก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะชอบความเกลียดค้านก็จะชวนให้เราเกลียดค้านแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบาปตามเขาต่อไปอันนี้คืออากุ การละการกระทำบาปทั้งปวงมีอยู่สองอย่างบาปกับอบายามุขเนี่ยถ้าเราอยากจะบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องบำบัดส่วนนี้ก่อนส่วนแรกของการบำบัดทุกข์ก็คือละการกระทำบาปและเสพอบายามุขทั้งปวงแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเนีเราก็ต้อง สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำกุศลบุญกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรคือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั่นเองทำความสุขทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไม่ทำเราจะรู้สึกเฉยๆจืดๆทชื่อๆแต่พอเราไปทำประโยชน์เช่นบริจาคเงิน ให้กับวัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลหรือกับสถานที่ทำประคุณประโยชน์ให้กับสังคมพอเราได้ทำแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาเหมือนกับได้รับประทานอาหารทางจิตใจบุญกุศลก็คืออาหารของจิตใจที่ทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจถ้าเราไม่มีความสุขเราอยากจะมีความสุข ให้ทำความสุขแบบนี้ทำความสุขจากการทำบุญทำกุศลอย่าไปทำความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันเป็นความสุขเหมือนกันแต่มันเป็นความสุขที่มีพิษมีภัยตามมาเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนยาเสพติดเพราะถ้าเราหาความสุขแบบนี้เราก็จะติดกับการหาความสุขแบบนี้ แล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถไปหาความสุขแบบนี้ได้เราก็จะทุกข์กันแต่การหาความสุขจากการทำบุญทำกุศลนี้จะไม่ทำให้เราทุกข์เวลาใดที่เราไม่สามารถทำได้เราจะไม่ทุกข์เพราะมันไม่เป็นยาเสพติดเป็นเหมือนอาหารทำบุญทำกุศลมีหลายแบบด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน แบ่งปันกันด้วยข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานทำทานด้วยข้าวของเงินทองทำทานด้วยวิชาความรู้ก็เป็นวิทยาทานทำทานด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมทานเรามีอะไรที่เราพอที่จะ ให้ผู้อื่นให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนก็ทำไปถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเรามีร่างกายมีเวลาว่างเราก็ไปเป็นจิตอาสากันไปเป็นอาสาสมัครช่วยองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเช่นปอเต็กตึงร่วมกตัญญูหรือเวลาเกิดภัยต่างๆก็ไปช่วยกันบาบัดภัยกัน เช่นตอนที่เกิดน้ำท่วมในภาคอีสานนี่ก็มีประชาชนช่วยกันบริจาคเงินให้แก่คนบินกันเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำกุศลแบบหนึง่งหรือไปช่วยเองถ้าไม่มีเงินทองจะให้ก็ไปช่วยคนข้าวของที่ได้จากการบริจาคนี้ไปช่วยแจกจ่ายกันอีกทีหนึง่ง อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะได้บุญก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมบุญมีหลายอย่างเนี่ยเช่นทําทานบุญที่ช่วยอุทิศบุญเวลาทําบุญเสร็จก็สามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ต้องรับไปแล้ว พอเรารู้ว่าเราได้ช่วยบิดามารดาผู้มีพระคุณที่ตายจากเราไปแล้วให้ท่านอยู่ดีกินดีในโลกที่เราก็จะมีความสุขเหมือนกับช่วยคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็เลยทำบุญด้วยการอุทิศบุญหรือทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญเวลาใครก็จะไปทำบุญเราก็สาธุไปกับเขาอย่าไปห้ามเขาอย่าไปขัดขวางเขา ควรจะสนับสนุนเขาเอบางทีเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยช่วงนี้ช่วงกรถินบางทีเขาต้องขอลาไปทอดกรถินก็อยากไปขัดขวางเราอนุโมทนาไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญเอเราเป็นเจ้านายเราก็แฮปปี้ไปกับลูกน้องเอเราถึงแม้เราไม่ได้ไปทําเองเราก็ได้บุญจากการที่เราอนุโมทนาเปิดทางให้กับเขาสนับสนุนให้กับเขาได้ทําบุญ มีหลายวิธีเรื่องการทำบุญในศาสนาแสดงไว้ถึงสิบวิธีด้วยกันการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งได้ฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลว่าทำอย่างไรได้เรียนรู้วิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆว่าทำอย่างไรพอแล้วเราเรียนรู้เราก็เอาไปทำได้ เพราะเราอยากจะมีความสุขจากการทําบุญเราก็ไปทําบุญกันถ้าเราไม่อยากจะเกิดความทุกจากการทําบาปเราก็ละการกระทําบาปกันอันนี้ก็เป็นบุญต่างๆที่พวกเราต้องศึกษากันให้รู้วิธีการทําบุญต่างๆครับถ้าอยากจะรู้คนในมือถือก็ได้คําว่าบุญกิริยาสิบประการบุญกิริยาวัตถุสิบประการ นี่คือวิธีสร้างความสุขทางศาสนาพุทธเป็นความสุขที่สอาดบริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับการสร้างความสุขทางโลกสร้างความสุขทางลาบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มีพิษมีภัยตามมาเวลาที่มันหายไปเวลามันหมดไปนี่มันจะทำให้เราทุกข์มากแต่บุญที่เราทำถ้าวันไหนเราหายไปมันไม่ทาให้เราทุกข์ มันก็เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าขาดบุญไปหรือเวลาไม่ได้ทําบุญก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ขาดบุญแต่ไม่ไม่นอนลงแดงเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนที่ใครเที่ยวพอวันไหนไม่ได้เที่ยวนี้จะตายให้ได้ใช่หไหมอันนี้คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจในระดับเบื้องต้นสองระดับแรกนี้ถือว่าเป็นระดับ เบื้องต้นที่ง่ายที่สามารถทำกันได้ถ้าอยากจะสร้างบนแบบเต็มร้อยและกำจัดความทุกแบบเต็มร้อยนี้ต้องไปข้อที่สามของคำสอนคือต้องไปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราจะกำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ในใจของเราให้หายไปหมด แล้วความทุกข์ที่เกิดจากการจากตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็จะหายไปหมดเหลืออยู่เพียงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวความสุขที่ถาวรความสุขที่เต็มร้อยในทางจิตใจแต่ก่อนที่เราจะไปขั้นที่สามได้นี้เราต้องผ่านขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งไปก่อนขั้นที่ง่ายก่อนถ้าเรายังทําขั้นที่ง่ายไม่ได้อย่าไปหวังทําขั้นที่ยากถ้ายังไม่เรียนจบ ระดับมัธยมนี่อย่าไปหวังเข้ามาหาหลัยเข้าไปก็เข้าไม่ได้เอนเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วลองไปเอ็นดูม .6 ยังไม่ผ่านได้แค่หนึ่งจุดนี้ล้วไปลองเอ็นเข้ามาหาหลัยดูไม่มีวันเข้าได้คนที่เขาจะเข้ามาหาหลัยส่วนใหญ่เป็นพวกสามจุดกว่าสี่จุดกันเั่านั้นเอ้พวกหนึ่งจุดสองจุดนี่ไม่อย่าไปหวังเลยอันนี้ก็เหมือนกัน พวกที่ยังทำยังลาบบาปไม่ได้ยังทำบุญทำกุศลต่างๆไม่ได้นี่อย่าไปหวังเลยที่จะไปชำระใจให้สะอาด่อยสุทิน ที่มานั่งสมาธิกันนั่นเป็นเพียงแต่ทำพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเองทำแบบมือสมัครเล่นไม่ใช่ทำแบบมืออาชีพทำได้แต่ไม่ได้ผลเป็นกออเป็นกรรมเหมือนพวกมืออาชีพเขาทากันแต่ก็ดีไม่ว่าไม่ดีเพียงแต่อย่าหลงคิดว่านี่เรากาลังทาระาจิตใจให้บ่อยสุดเนี่ย ยังหลอกยังเป็นเพียงขั้นฝึกหัดเท่านั้นเองจากชำระได้จริงๆนี้มันต้องทำแบบมืออาชีพทำแบบเต็มร้อยทำแบบตลอดเวลาไม่ใช่ทำแค่วัวนหยุดวันว่างหรือ ว, วันนิดวันละหน่อยเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรทำนองนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการกำจัดบำบัดชำระจิตใจให้สะอาด เป็นเพียงแต่การฝึกซ้อมเท่านั้นเองยังไม่ได้เข้าสู่สนามสอบเป็นการทำการบ้านไปก่อนถ้าต้องการเข้าสนามสอบนี่ต้องไปบวชไปอยู่แบบนักบวชไม่มีงานอย่างอื่นทำมีงานนี่งานเดียวงานลาบบาปก็ไม่ต้องทำแล้วไปบวชนี่ก็ลาถือว่าได้ลาบบาแล้งานสร้างกุศลต่างๆก็ไม่ต้องทาแล้วเพะถือว่า กำลังไปทำงานที่สำคัญกว่างานที่มีประโยชน์กว่างานที่ละบาปหรือสร้างความสุขด้วยการกระทาบุญกุศลต่างๆให้ทำงานชำระนิเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาถึงจะสามารถกำจัดค้าบสกปรกที่ติดอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ค้าบสกปรกก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่ ความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นความอยากมีแฟนความอยากดีความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้กินได้เดืออะไรต่างๆอันนี้ต้องตัดไปให้ได้ความอยากมีอยากเป็นอยากเป <Sí> ็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอย่างนี้ก็ต้องตัดไปความอยากไม่มีก็ต้องตัดไปอยากไม่มี ยศไม่มีตาแหน่งไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีอะไรก็ต้องตัดไปมันถึงจะทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้<ม>เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์<ม>ถ้าได้มาก็เกิดความอยากเพิ่มขึ้นก็อยากใหม่อีกอยากมาอี ก, อ ก, อกเดี๋ยวก็ต้องเจอความผิดหวังไม่ช้าก็เร็วไม่ผิดหวังตอนนี้ก็ไปผิดหวังตอนหน้า วันนี้อยากได้นี่พอได้ก็อยากจะได้เพิ่มนะวันนี้อยากได้เป็นนายสิบพอเป็นนายสิบแล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเป็นนายร้อยแล้วพอเป็นนายพออยากได้เป็นนายร้อยถ้าไม่ได้เป็นนายร้อยก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมางั้นถ้าไม่อยากก็จะไม่ไม่เดือดร้อนเขาให้เป็นอะไรก็เป็นไปเขาให้เป็นนายสิบก็เป็นไปเขาให้เป็นนายร้อยก็เป็นไปไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอนี่คือ วิธีที่เราจะมากําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปเราต้องมาศึกษาวิธีกําจัดความอยากต่างๆวิธีที่จะกํำจัดความอยากต่าง ๆ, หาาางๆให้หมดไปนี้เราก็ต้องเริ่มที่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชําระต้องการจะชําระจิตใจเพียงแต่ต้องการลาบบาปก็ถือศีลห้าไปก่อนแต่ถ้าต้องการ ชํารละความทุกข์ให้หมดไปอย่างทาวอนนี้ต้องขึ้นสู่ระดับศีลแปดศีลแปดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองเรือนศีลสิบเป็นสำหรับสัมมเ น, นสามเนรีศสองร้อยี่สบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอดนี่สำหรับภิกษุภิกษุณีต้องไปต้องมีศีลมีกรอบควบคุมห้ามกักขังความอยากไว้ไม่ให้มัน ออกไปนอกคอกจับขังความอยากไว้ในคอกเพราะเวลาที่เราจะฆ่ามันจับมันมาฆ่ามันง่ายถ้ามันออกไปนอกคอกนอกกรงนี่จับมันยากกว่าเลยต้องขังตัวความอยากให้มันอยู่ในคอกของศีลก่อนบังคับมันให้อยู่ในกรอบของศีลแปดพอศีลแปดนี้จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้นะไปกินอาหารเย็นก็ไปไม่ได้ไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ได้เลนะ ถ้าถือศีลห้านี้ยังไปได้อยู่อยังไปนอนกับแฟนได้ยังไปกินอาหารเย็นได้ยังไปดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่ได้แต่พอมาถือศีลแปดนี้ความอยากเหล่านี้ถูกห้ามไปแล้วห้ามทำแต่ยังไม่ตายเพียงแต่ห้ามมันไว้ไม่ให้ออกไป แล้วขั้นต่อไปเราจะได้จับมันมามัดให้มันนั่นกับเสาแล้วก็ฆ่ามันได้ต่อไปพอเราขังมันไว้ในคอกด้วยศีลด้วขั้นต่อไปเราก็ใช้เชือกมามัดมันไว้เอเหมือนเวลาที่คนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าเนี่ยเวลาเขาอยากจะจับวัวหรือมา้ามาตีตาเห็นไหมเขาก็ต้องไล่มันเข้าไปในคอกก่อนพอมันอยู่ในค้อแล้วเขาก็ ขี่มาไล่เอาเอาเชือกผูกคอมันแล้วก็ดึงมันมาจับมันนไว้นอนแล้วถ้าจะตีตาให้รู้ว่าเป็นเจ้าของของไข่ถึงจะทำได้ต้องมีเชือกมามัดสัตว์ที่เราต้องการที่จะให้มันอยู่นิ่งๆสัตว์ที่เราต้องการอยู่นิ่งๆในใจเราก็คือความอยากของเราถ้าเราต้องการให้ความอยากของเราอยู่นิ่งๆเราก็ต้องหาเชือกมามัดมัน เชือกที่จะมามัดสัตว์นี่ก็คือเชือกที่จะมามัดความอยากก็คือสตินี่เองเราต้องหาสติมาถ้าไม่มีสติเราก็ต้องไปซื้อจากกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นที่ขายเชือกเ่าไปที่กรรมฐานเขาก็จะให้พุโทโธมาเราซื้อพุโทโธมาแล้วเราก็มาท่องพุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราจะหยุดความอยากให้มันอยู่นิ่งๆเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป พอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความอยากมันก็นิ่งเฉยแสดงว่าเรามีเชือกมัดกันไวเอทีนี้ขั้นต่อไปเราต้องการที่จะฆ่ามันเราก็ฆ่ามันได้เราก็ต้องไปซื้อมีดมาฆ่ามันมีดที่จะฆ่ามันก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาคือความรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เก็บมันไว้ไม่ได้ต้องทําลายมันเหมือนกับหมอที่ได้ค้นคว้าวพบว่าเชื้อโรคชนิดนี้ทําให้เกิดโรคชนิดนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดโรคให้หายไปจากร่างกายก็ต้องฆ่าเชื้อโรคชนิดนี้เช่นเชื้อมาลาเรียเนยเวลาเข้าไปในร่างกายมันก็ทําให้เกิดโรคมาลาเรียขึ้นมาถ้าอยากจะรักษาโรคมาลาเรียให้หายขาด ก็ต้องหายาที่มาฆ่าเชื้อมาลาเรียได้อันนี้ก็เหมือนกันเชื้อที่มาทำให้จิตใจเราทุกแบบไม่มีวันสิ้นสุดก็คือตันหาความอยากทั้งสามประการนี้คือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปอันนี้เป็นความอยากที่เราต้องกาจัดให้ได้ กำจัดได้ด้วยสติจับกำจัดด้วยศีนก่อนลอ ม, มันไว้ในอคอกแล้วก็เอามามัดด้วยสติเสร็จแล้วก็เอามีดของปัญญามาฆ่ามัน ทุกคร me me. ั้งที่เกิดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากวิธีค่ามันก็คือไม่ทำตามมันมันอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเนอะพอไม่สูบพอไม่สูบตามมันบ่อยๆต่อไปความอยากก็หายไปมันอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันก็หายไปอยากจะมีแฟนก็อยากไม่มีมันต่อไปความอยากมีแฟนมันก็จะหายไปแล้วต่อไปอยู่แบบไม่มีแฟนได้อย่างสบาย พามีแฟนแล้วมันต้องอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้แฟนมันก็ทุกข์กันเห็นไหมนี่ถ้าเราได้ท่านสมาธิแล้วถูกมัดตันหาความอยากให้อยู่นิ่งเฉยๆได้แล้วทีนี้เราก็เอาวิปัสสนาเอาปัญญามาฆ่ามันได้เลยคือให้เห็นว่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือความอยากนี้เอง คืออริยสัจสีปัญญาเนี่ยพระเจ้าสรงค้นพบว่าความทุกข์ใจนี่เกิดจากความอยากถ้าอยากได้ความทุกข์ใจหายไปหมดก็ต้องทำลายความอยากให้หมดไปวิธีทำลายความอยากให้หมดไปก็อยากไปทาตามความอยากเท่านั้นเอง ท้า น, นี้ก็บจบว่าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็หายไปเนี่ยคนที่เลิกดื่มสุราได้เ พ, เพราะเขาไม่เพราะเขาเลิกก tamam ็ไม่ดื่มทุกครั้งที่อยากเขาก็ไม่ดื่มคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้ก็เพราะเขาไม่ดื่มเขาไม่สูบทุกครั้งที่เขาอยากสูบคนที่เลิกเที่ยวได้ก็เพราะว่าเขาเลิกทุกครั้งที่อยากเที่ยวเขาก็ไม่ไปเที่ยวคนที่เลิกมีแฟนได้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่เขาอยากมีแฟนเขาก็เลิกอยากเสียเนี่ยพวกที่มาบวชนี่เขาเมื่อก่อน เขาก็มีปันมือพวกเราเนี่ยเขาก็อยากมีแฟนอยากเที่ยวเหมือนกันแต่ก็เห็นพิษเห็นภัยว่าเวลาไม่ได้เรามันทุกข์มันทรมานใจสู้อยากไปอยากมันดีกว่าเอยอมทนกับความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีเชือกมัดไว้มันจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีสติมัดความอยากไว้มันจะไม่ดิน้นมันจะไม่ทําให้เราทุกข์เพราะจิตมันสงบจิตเป็นสมาธิเนี่ย ดางนั้นตอนเราต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนถึงจะสามารถสู้กับความอยากได้นี่คือวิธีบำบัดทุกบำุงสุดแบบถาวรต้องบำบัดด้วยขั้ น, นที่สามคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ เมื่อเราชำระใจให้บริสุทธิ์แล้วทีนี้เราก็เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราจะไม่ต้องไปอาศัยใครมาช่วยบำบัดทุกข์บำบัดสุขให้กับเราเราสามารถบำบัดทุกข์บำบุงสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ไม่ต้องพึ่งใครต่อไปแม้แต่พระพูธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปพอเราเป็นที่พึ่งของเราได้แล้ว เหมือนกับเราไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ของเราพอเรารู้จักเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่เราแล้ ว, ลวนี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งให้กับตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนขอให้ท่านจงนำมาพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสพเพปุเรนตุสังกปา อันโทปนาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวั อาพิวาทนาสีลิตสานิจังุทธาปจายโนจตารธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาังลำดับต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะหยุดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้ทางบ้านผู้ติดตามมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่333ูสามร้อยสามสิบสามวิทยุออนไลน์สิบแปดรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าครับ อยากถามอะไรถามได้ในช่วงนี้ เ, เดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปให้หน่อยหนูห no, no. ช่วยส่งไมโครโฟนมาหน่อยพูดกใกล้ปากหน่อยนะจะได้ยินจ้ะกับกั บ, กบที่ถามพระอาจารย์นะคะเหมือนวิธีวางใจในเวลาที่เราทำบุญนะคะเหมือนเคยได้ยินมาว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราทำบุญทำทานอย่างนี้นคะ่ะไม่ไม่ให ป ก, ปกติคือคนทั่วไปก็จะทําบุญแล้วเราก็จะเหมือนขออย่างเงี้ยค่ะขอวังผลนะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเหมือนถ้าเราทําบุญแล้วเราขอให้เป็นปัจจัยสู่ผลนิพพานหรือว่าขอให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าเหมือนกับไปซื้อของโยมไปซื้อของในร้านซื้อข้าวมาถุงหนึ่งแล้วขอของทั้งเราที่มีอยู่ในร้านไม่ได้หรอกก็ここได้แค่ข้าวถุงเดียวเนะวลาทําบุญก็จะได้อย่างเดียว ได้ผลจากการทําบุญทําทานเราก็จะได้ไปสวรรค์นี่คือผลที่เราจะได้ไปเป็นเทพเป็นอะไรแต่จ ะ, จะไปนิพพานไปไม่ได้อจะให้สําเร็จเรื่องทางครอบครัวทางการงานก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเข้าใจไหมขอก็ขอไม่ได้เพราะว่าของที่เราซื้อนี้มันมันมันไม่ใช่เป็นของที่เราขอกันเราไปซื้อข้าวห่อถุงหนึ่งแล้วเราบอกจะขอ ขอกลับข้าวมาด้วยมันไม่มาหรอกแล้วเราควรวางใจยังไงคะเวลาเราทำบุญก็วางใจว่าทำทาอะไรก็ได้อย่างนั้นไงซื้ออะไรก็ได้อย่างนั้นเวลายอมไปซื้ออะไรยอมก็วางใจใช่ไหมไปซื้อข้าวเราจะไปหวงังเอาขนมเอาเอาอะไรมาด้วยมันไม่ได้หรอกก็ได้แต่ข้าวอย่างเดียวทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ ถ้าอยากไปสวรรค์อยากจะไปเป็นเทพเวลาตายไปแล้วก็ทำบุ ญ, ญเยอะอย่าทำบาปก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องไปไปบวชอย่างนี้แล้วไปปฏิบัติภาวนาถ้าอยากให้พบความสาเร็จทางโลกก็ต้องไปศึกษาทางสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็จะสอนวิธีเลือกไปศึกษาจากผู้ที่ได้สำเร็จแล้วเช่นไปเรียนจากมาหาเศรษฐีเนี่ยเขารวยยังไง ไปอ่านหนังสือประวัติของเขาดูแล้วเขารวยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรวยเหมือนเขาได้เพราะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ไม่มีใครไปกำหนดได้บางคนจังหวะโชคดีคิดขายของชิ้นเดียวรวยขึ้นมาได้เพราะมีคนอยากไดไ้แล้วไม่มีคู่แข่งมันก็ขายดีขายดีคนเดียวถ้าไปขายของที่มีคู่แข่งมันก็ขายไม่ออก เรื่องความสำเร็จของชีวิตมันมีปัจจัยเสียงหลายอย่างมีความไม่แน่นอนหลายอย่างสิ่งที่เราควรจะวางใจก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วได้เท่าไหร่ก็ถือว่ามันก็เป็นโชคของเราเท่า น, นั้นเหมือนซื้อหวยองเงี้ยถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกสองตัวก็ยังดีวะก็คิดอย่างนี้ไปหรือไม่ถูกก็ต้องวางใจว่าไม่ถูกมีโอกาสที่ไม่ถูก ไม่ใช่ว่าทำบุญปั๊บสารพัดนึกขึ้นมาแลวอยากนึกอยากจะได้อะไรก็จะได้มันไม่มันไม่ได้หรอ ก, อ, กอีกคำถามได้ๆเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าถ้าเราเหมือนฟังพระอาจารย์สอนคือพระอาจารย์จะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อยากไม่ให้ทำตามความอยากแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ทางโลกกับทางธรรมมันจะขัดแย้งกันเพราะว่าถ้าทางทางโลกก็คือเราต้องมีความอยากามีจุดประสงค์ที่จะ เ, เป้าหมายความ<ท>สำเร็จความร่ำรวย<ส>แต่ทางธรรมก็จะอีกแบบหนึง่งทางโลกเราก็ทำสองระดับแรกนยอยากทำบาปแล้วก็ทำบุญส่วนความสำเร็จนี้ก็ทำไปตามหน้าที่ อ, อยากได้แต่จะได้หรือไม่ได้นี่ก็แล้วแต่ถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจ เราก็ต้องยอมรับผลจากการความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะรับผลจากความอยากเราก็อย่าไปทำตามความอยากอย่าไปมีความอยากมันก็ไม่มีผลตามมาเข้าใจไหมทำได้อยากจะได้แล้วทำแต่าะไปอยากแบบต้องได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้แล้วจะตายอย่างนี้ไม่ถูกอยากได้แล้วทำไปให้เต็มที่ ได้หรือไม่ได้ก็พอใจกับผลที่ได้มาก็จะไม่ทุกข์มากเหมือนแทงหวยเนีเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกกับรางวัลอะไรใช่ไหมถูกก็ดีไม่ถูกเราก็ไม่ถึงกับค่าตัวตายไม่ถึงกับเสียใจเพราะเรารู้ว่าโอกาสจะถูกกับไม่ถูกมันก็พอๆกันนะ่ะถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีอต้องทําแบบนี้ถ้าต้องถ้าอยาจะอยากให้ายากแบบนี้ อยากให้สำเร็จถ้าสำเร็จก็ดีถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรลองใหม่วดหน้ามีใหม่ก็ซื้อใหม่จะไม่ทุกข์มากต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความผิดหวังไว้แล้วจะไม่ทุกข์มากถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความผิดหวังพอมันมันไม่สมหวังมันจะเสียใจมากเนาะแล้วอีกคำถามค่ะสมมติว่าเร า, เราสอนเด็กวัห้าขวบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราบอก เราสอนลูกบอกว่าให้ให้สวดมนต์หรือหน้าสมาธิพิธีเพื่อให้เรียนเก่งเหมือนคำคำสอนแบบนี้ดีหรือไม่ดีหรือว่าควรพูดยังไงคะก็ดีคือการสอนเด็กให้รู้เรื่องทางด้านศีนลธรรมก็ดีสอนให้เด็กรู้จักไม่โกหกอย่างนี้ไม่ขโมยของอย่างนี้เป็นผลดีถ้าให้ไหว้พระสวดมนต์ได้ก็ดีเป็นการฝึกสติเวลาเขาเรียนหนังสือก็จะเบีสติฟังตั้งใจฟังได้ดีกว่าเวลาไม่มีสติก็สอนได้ สอใ ห, ให้เวลาเราสวดมนต์แล้วก็ชวนเข้ามาสวดมนต์ด้วยแล้วเขาก็จะฝึกสติไปในตัวแล้วพอเข้าไปเรียนหนังสือเขาก็จะฟังรู้เรื่องเข้าใจง่ายแล้วเวลาสอบก็จะได้คะแนนดีกรับกลับเรียนสามพระอาจารย์ครับ อ, อ, อกรณีที่เราเอุทิศวกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั้น จะต้องอยู่ในภพปูมไหนครับถึงจะสามารถที่จะรับก้นบุญจากเราได้ครับก็เป็นผู้ที่ขาดบุญตอนาที่มีชีวิตอยู่ไม่มีบุญก็อยู่ในสภาพเหมือนขอทานขอทานก็จะมารอรับส่วนบุญขอส่วนบุญจากผู้ที่กำลังทําบุญอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ใ น, ใ น, ในพบในภพไหนในระดับไหนแต่เราทำไปเพื่อเพื่อกันไว้เผื่อถ้าเขารอรับอยู่เขาก็ได้รับ ถ้าเขาไม่ได้รับเราก็อุทิศ ใ, ให้ดวงวิญญาณดวงอื่นที่รอรับอยู่แทนก็ได้เขาอาจจะไม่เป็นขอทานก็าอาจจะเป็นเศรษฐีบุญก็ได้พวกเศรษฐีบุญก็พวกเทวดาพวกขอทานบุญเ็าเรียกว่าเปรตที่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ในระดับไหนเพราะเราไม่รู้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเคยทำบุญมามากน้อยเพียงไรแต่เราทำตามหน้าที่ของเราไป เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าอยู่ในพรผูมีที่เป็นอบายก็รับไม่ได้ไปอยู่เป็นเทพก็รับไม่ได้ได้ในอบายก็คือเป็นเปรตไงเฉพาะเปรตเฉพาะเปรตอย่างเดียวเท่านั้นที่รับได้นอกนั้นก็รับไม่ได้หมดครับถึงแม้ไปเกิดก็รับไม่ได้เป็นเทพก็รับไม่ได้กิดก็หายง่ายเฉพาะเฉพาะที่เละลอนเท่านั้นใช่อะช่วยส่งกลับหน่อย กลับเปินถามอาจารย์นะคะอออั น, นอยากไปนิพพานหรือว่าอยากบรรลุธรรมนี่ถือเป็นกิเลสหรือเปล่าคะไม่เป็นเลยความอยากในทางธรรมนี่เรียกว่าเป็นฉันทะนเป็นมัคเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปนิพพานได้ถ้าเราไม่อยากไปนิพพานมันก็ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้ต้องอยากไปนิพพาน การอยากไปนิพพานไม่เป็นกิเลสเป็นการฆ่ากิเลสเพราะกิเลสไม่อยากให้เราไปนิพพานแล้วอย่างถ้าอยากให้อยากให้สงบนี่เป็นกิเลสไหมไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าอยากมันก็จะไม่ค่อยสงบอ่ อ, อ, <S <S อ, อเวลานั่งเวลาทําให้มันสงบก็อย่าไปอยากช่วงนั้นไงแต่ต้องอยากนั่งก่อนถึงจะนั่งได้ถ้าไม่ อ, อยากนั่งก็ไม่ได้นั่งคือตั้งเป้าใช่ไหมค ะ, คะตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําเหตุที่ทําให้เกิดผล ไม่ใช่ไปตั้งเป้าแล้วก็นั่งรอให้มันเกิดนี้ไม่ได้อย่าให้มันสงบแล้วก็นั่งเฉยๆให้มันสงบพอไม่สงบมันต้องขยันพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดเดี๋ยวมันก็สงบกลับไปทางนี้คําถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆกับการทําบุญในวันธรรมดาปกติ ตามแต่สะดวกผลบุญมีความแตกต่างกันหรือไม่ครับถ้าทำเท่ากันก็ได้เท่ากันนะสมมุติทำร้อยบาทก็ได้เท่ากันจะทําวันเกิดพระพุทธเจ้าจะทําวันเกิดเราหรือวันธรรมดามันก็ได้เหมือนกันเหมือนกินข้าวอ่ะกินวันไหนมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมกินวันเกิดกินวันไม่เกิดมันก็อิ่เหมือนกัน ทำบุญก็เป็นการกินข้าวทางจิตใจการทำบุญนี่เป็นการให้อาหารจิตใจ <c oughs> ที่เขามีวันพิเศษก็เพราะเรามักจะขี้เกียจทำกันไงก็เลยต้องมีอุบายหลอกล่อให้เรามาทำกันถ้าไม่ใช่วันพิเศษก็ไม่อยากจะทำกันเพราะบอกว่าวันนี้วันพิเศษทำนเ้าได้บุญเยอะโอ้อยากจะทำกันใหญ่คำถามจากข้างบนนี้นะครับ คนที่ฆ่าตัวตายจะต้องไปรับผลกรรมแบบไหนครับก็ตอนต้นก็ไปนรกก่อนเนะี่ยเวลาฆ่าตัวตายนี่จิตจะโหเทมจิตจะทารุณเออจิตจะมีความทุกข์มากแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอพ้นจากนารกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาฆ่าตัวตายใหม่เวลามีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะแก้โดยวิธีที่เคยแก้มันก็จะติดอยู่ในวงจร อ, อุบาทนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาวิธีอื่นแก้ปัญหา ถึงจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างตอนนี้ถ้าเรามีปัญหาแล้วอยากจะขี้ฆ่าตัวตายก็พยายามฝืนหาวิธีอื่นดีกว่าทําใจให้สงบดีกว่าไปฝึกสมาธิทําใจให้สงบยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับเราพอรับได้มันก็ความอยากจะฆ่าตัวตายมันก็ไม่มีแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายเพราะเรามีวิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาใจเราได้ คำถามจากผู้ฝากถาม เมื่อมีผู้รวบรวมปัจจัยเพื่องานบุญอย่างหนึ่งแล้วมีกองทุนเหลือเพื่อใช้ทำนุบำรุงงานบุญนั้นเช่นโบสถ์ศาลาวิหารพระพุทธรูปแต่ผู้ดูแลกองทุนนั้นนำปัจจัยไปเพื่องานบุญอย่างอื่นที่วัดอื่นซึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่ในใบดีกาที่ขอรับบริจาคบอกบุญจากญาติโยมและผู้ให้ตั้งใจบริจาคเพื่องานบุญตามดีกานั้นเท่านั้นจะถือว่าผู้ดูแลกองทุนยักยอกทรัพย์ไปใช้ได้หรือไม่ ครับแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ส่วนตัวแต่ใช้เพื่อบริจาคในนามของตนเองถือว่าเป็นการหลอกลวงมากกว่ายักยอกษถือไม่มีสัจจะหลอกลวงพูดไม่ทำไม่ตามที่ได้พูดเอาไว้ <c oughs> ก็จะเสียเครดิตคราวหน้าก็จะไม่มีใครที่เขาจะเชื่อเครดิตเรามาเรียรายก็จะไม่มีใครร่วมบุญด้วยถ้าอยากจะไม่เสียเครดิตก็ต้องทำตามที่ได้ พูดเอาไว้หรือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอมติใหม่จากผู้ร่วมทําบุญหรือประกาศให้ทราบว่าเางินที่ได้มาจากการทําบุญนี้เหลืออยู่ประมาณนี้อยากจะเอาไปทําห้องน้ําหรือสร้างเมนต่อท่านผู้บริจาคมีความเห็นอย่างไรสาธุด้วยเปล่านุโมทนาหรือเปล่าถ้าอนุโมทนาก็เอาไปทําได้ อ, อย่าทําโดยพระรากาล ทำอันไหนก็ต้องทำให้มันไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้คำถามต่อไปจากคุณเปรมเราควรจะเชื่อหมอดูไหมครับก็แล้วแต่คนเยมันไม่ใช่เราเนี่ยมันคุณอยากจะเชื่อก็เชื่ อ, อคุณไม่อยากจะเชื่อก็ไม่เชื่อเพราะบางอย่างเขาพูดอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นี่เราจะรู้ว่าอย่างไหนจริงและไม่จริงนี่ต่างหากที่เป็นปัญหา ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้าสอนกนรารมาสูตรสิทธิปการด้วยกันอย่าเชื่อแบบงมงายคืออย่าไปเชื่อเพราะเขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อย่าไปเชื่อเพราะคนอื่นเชื่อกันมาเอออย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เราเอแม้เป็นอาจารย์เราบางทีก็ยังไม่ให้เชื่ออวิธีที่จะให้เราเชื่อได้ก็คือเราต้องออกไปพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงไหม ถ้าจริงเราก็เชื่อเขาได้ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคำถามต่อไปจากคุณนิยาถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบจิตวุ่นวายมากไม่สามารถทําให้จิตรวมได้ควรทําอย่างไรบ้างครับก็ต้องเพิ่มเพิ่มการฝึกสติให้มากขึ้นอย่ามาฝึกสติตอนเวลานั่งเพียงอย่างเดียวต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา คอยควบคุมความคิดคอยกำจัดความคิดที่ไม่จำเป็นให้มันหมดไปคิดได้ในเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราจะมีสติกำลังมากขึ้นเวลานั่งจิตก็จะสงบได้ง่ายและได้นานขึ้นใครเปิดเสียงอะไรไว้ช่วยไปพูดข้างนอกดีกว่านะเพราะมันรบกวน คำถามต่อไปจากคุณเปรมอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องโทษของกามและวิธีการละกามมราคะด้วยครับถ้าเรายังมีกามอยู่มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสัตว์ในราชานันขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราทําไว้ถ้าเราละ ก, กามได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบ ขณะที่เราเกิดับเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ตามเวลาเกิดกามมันขึ้นมาก็ทำให้เราลำคาญใจหงดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขเราก็ต้องไปเสพการรมถึงจะถึงจะระบายความรู้สึกหงดหงิดลำคาญนั้นได้มันก็จะเป็นเหมือนติดยาเสพติด เราก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขถ้าเราฝืนได้เลอกได้ด้วยการใช้พิจารณาอสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่บ่อยๆการอารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่แบบไม่ต้องเสพกามได้คำถามต่อไปจากคุณนิยา สินข้อที่แปดไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่ด้านในยัดด้วยนุ่นและสำลีถ้าเรานอนบนพื้นแข็งแต่นอนบนหมอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอันนี้จะผิดไหมครับถ้ายังเป็นหมอนยังเป็นนุ่นยังเป็นเพื่อความสุขสบายอยู่ก็ยังผิดอยู่ไม่ต้องการให้นอนแบบสบายแต่ถ้าปูเสือ่อปูผ้าเพื่อการความเย็นอะไรอย่างนี้พอก็ยังพอทาได้อยู่ ทำเพื่อป้องกันภัยที่จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะบางทีถ้าพื้เนเย็นๆนอนแล้วมันอาจจะทำให้ร่างกายเป็นไข้ได้เราก็อาจจะต้องปูผ้าปูอะไรกันความเย็นได้อยู่แต่ถ้านอนเพื่อความสุขสบายก็นอนมันบนฟูกนาๆไปเลย มันก็เหมือนกันแหะใช่ไหม mm hmm. เราไม่ต้องเป้าหมายคือไม่ต้องการให้นอนมากไม่นอนจะนอนไม่มากมันต้องนอนไม่สบายถ้าสบายแล้วมันไม่อยากลุก mm hmm. ถ้ามันไม่สบายนอนแล้วปวดเจ็บหลังเหลือเกินลุกขึ้นมานั่งดีกว่าลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าคํำถามนี่มีคําถามกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูเคยขับรถแล้วแมว อยู่ตรงประมาณ5เมตรนะคะหนูขับรถพอหนูเห็นลูกแมวตัวเล็กๆหนูก็พยายามจอดแมวก็หยุดพอกำลังขับรถไปแมวก็จะกระโดดเหมือนตั้งใจว่าจะให้หนูเหยียบซึ่งตอนแรกหนูก็คิดว่าจะหยุดให้แมวไปแต่แมวก็หยุดไม่กระโดดพอเหยียบหนูเหยียบคันเร่งแมวก็จะมาอีกหนูก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วจะเอาตัวแมวไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยขณะจอดรถ หนูหาแมวไม่เจอค่ะตอนนั้นรถก็เริ่มไล่มาหนูพยายามหาแมวไม่เจอหนูก็บอกว่างั้นไปแล้วนะถ้าหาไม่เจอคือเราไม่ได้มีเจตนาหักเหยียบทัานใดนั้นถหนูเริ่มเหยียบคันเร่งก็มีเสียงกึกกึกหนูใจคอไม่ดีเลยค่ะมองตรงกระจกตรงกลางก็เห็นแมวไงท้องแล้วก็ดิน้นดินหนูใจไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเจตน า, าถ้ารู้แบบนี้จะใช้คาว่า ให้อโหสิกรรมต่อกันจะได้ไม่ไม่มาตายเพื่อชดใช้หรือ<ม>อย่างไรสักการ์ไม่ต้องชดใช้อะไรแล้วเพราะเราไม่มีเจตนาทำร้ายเขาเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งเราทุกคนก็จะต้องบางครั้งเจอเหตุสุดวิสัยเราอาจจะไปโดนรถคัอื่นชนเราก็ได้อันนี้ก็ห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วถ้าจะขับรถมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีภัยต่างๆเหล่านี้ตามมา อาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วแต่อย่างบางครั้งค่ะขับรถแล้วเจอคัองคกอยู่ตรงข้างหน้าหนูก็เลงเอาไว้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไม่ให้โดนออแต่เหมือนเขาก็กระโดดมาจังหวะคิดไปทางเดียวกันเขาไม่เป็นไรไม่ติดกรรมใช่ไหมคะไม่ติกรรมแล้วมีเจตนาที่จะจะหนีเขาไม่อยากจะทําร้ายเขาแต่นี่มันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เขาจะต้องตายเขาก็เลยคิดไปคิดไปในทางเดียวกับเราออ กันเลยจ้าเอ๋กันพอดีกระขอบคุณค่ะการไม่เป็นบาปไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปไม่มีเวนมีกรรมนะไม่มีเวนมีกรรมกล่าวพระอาจารย์ค่ะพะดีหนูอยากถามว่าถ้าเกิดอยากจะละสักยทิฐิก็คือละร่างกายเงี้ยค่ะแรกเริ่มเราต้องทํำยังไงบ้างคะพระาอาต้องศึกษาว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันเน่เป็นเราหรือไม่ได้เป็นเรา วิธีศึกษาก็เนี่ยแหละดูจุดเริ่มต้นของร่างกายว่ามันมาจากไหนมันก็มาจากส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่แล้วเราอยู่ตรงไหนถ้าเราศึกษาตามคําสอนเราเป็นดวงวิญญาณเรามารับร่างกายจากพ่อแม่ฉะนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นเหมือนตุ๊กตาที่พ่อแม่สร้างให้เราเพื่อเราจะได้เอามาเล่นเหมือน เราสั่งให้ร่างกายทำอะไรใช่ไหมเนี่ยเราคนสั่งกับร่างกายเป็นคนละคนกันให้ศึกษาให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้เพราะเรารู้ว่าต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอเราไม่มีร่างกายเราก็ไปเป็นดวงวิญญาณไปหาน่างกายอันใหม่ต่ออย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็จะปล่อยวางได้เมื่อถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวเราเลยเป็นของพ่อแม่ซะมากกว่าใช่ไหมทำมาจากส่วนหนึ่งของแม่อีกส่วนหนึ่งของพ่อท่านั้นเองเราเพียงแต่มารับ สมบัติที่นี้จากพ่อแม่เป็นเหมือนตุ๊กตาเราเอามาเล่นเอามาใช้มันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมเราเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราก็ใช้มันไปจนมันรับใช้เราไม่ได้เราก็ให้มันไปเอเราก็ไปหาคนใช้คนใหม่ต่อออถ้าเบื่อก็อยากไปเกิดะออค่ะ หนูเคยได้ยินมาคําว่าวิปัสสนากรรมฐานจะทําให้ตัดภพตัดชาติได้จริงอย่างไรเจ้าคะควเราไปตัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดไงก็คือกามรมาตัญหาภาวะตัญหาวิภ ว, วตัญหาความอยากสามประการนี่ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากงามนี้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเราต้องตัดมันให้หมดด้วยวิปัสสนาถ้ามีวิปัสสนาเราก็จะมีมีดที่จะมาฆ่าความอยากได้ ก่อนที่เราจะฆ่าความอยากได้เราต้องมีสมาธิมีสติมัมัดความอยากให้มันอยู่เฉยๆก่อนพอมันไม่แสดงอาการแล้วทีนี้เราก็ใช้มีดคอยเฝ้าไว้พอมันดิ้นปั๊บก็แทงมันเลยต่อไปมันก็ตายหมดสิ่งนั้นใช้ความอดทนในขณะที่กำลังนั่งสมาธิแล้วเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความรู้สึกร้อนหนาวเบื่อเหนื่อยหรือมีความ อะไรที่ที่มันทําให้กังวลใจรบ ก, กวนจิตใจแล้ว <S <S นิ่งเฉยใช่ไหมเจ้าค่ะพวกนี้มันไม่ใช่เป็นตัวที่เราไปกําจัดนะกําจัดตัวที่ไปไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความอยากของเราพอมันร้อนก็อยากจะให้มันหายร้อนนะกําจัดตัวนี้กําจัดตัวความอยากให้มันหายร้อนร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปแต่เราอย่าไปอยากให้มันหายร้อนแล้วเราก็จะไม่ทรมานใจที่เราทรมานเพราะเราอยากให้มันหายร้อน เราถึงต้งนั่งเฉยๆวิธีนั่งเฉยๆใช้ขันติอดทนเพื่อสู้กับความอยากให้มันหยุดเนี่ยต่อไปพอมันหยุดอยากแล้วความร้อนก็จะไม่มาทําความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะไม่ใช่ความร้อนที่ทําให้วุ่นวายใจเพราะความอยากที่ให้ความร้อนหายไปเป็นตัวทําให้เราวุ่นวายใจพอเราหยุดความอยากนี้ได้ปับ๊บต่อไปใจเราก็จะไม่มีปัญหากับความร้อนอีกต่อไป แล้วตัวความอยากนี่ที่พาให้เรามาเกิดกันพอรา่างกายนี้ตายไปเราก็ยังอยากที่จะหาความสุขจากตาหูจมูกจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกนิกายอันใหม่เอาลนะเนีวันนี้เวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด